สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชืิตพระเยซูตอนที่สี่ร้อยแปดสิบคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่เก้าพระเจ้าของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่สิบเจ็ดข้อที่สิบจนถึงข้อที่สิบเก้าพระธรรมยอห์นบทที่สิบเจ็ดข้อที่สิบจนถึงข้อที่สิบเก้าโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า ทุกสิ่งซึ่งเป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์ทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระองค์ก็เป็นของข้าพระองค์และข้าพระองค์มีเกียรติในสิ่งเหล่านั้นบัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงตรวจพิทักษารักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพนามของพระองค์ เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนข้าพระองค์กับพระองค์เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับคนเหล่านั้นข้าพระองค์ก็ได้พิทักรักษาพวกเขาผู้ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาวไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนอกจากลูกของความพินาศเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระธรรมแต่บัดนี้ข้าพระองค์กาลังจะไปหาพระองค์ ข้าพระองค์กล่าวถึงสิ่งเหล่านี้ในโลกเพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมข้าพระองค์ได้มอบพระดำรัสของพระองค์ให้แก่เขาแล้วและโลกนี้ได้เกรียดชังเขาเพราะเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายเขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกข อ, อ, อทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริงพระเจนะของพระองค์เป็นความจริงพรงทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกสันใดข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉันนั้นข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขาเพื่อให้เขารับการชำระแต่งตั้งไว้โดยสัจจะด้วยเช่นกันเพื่อนครับอย่าลืมนะครับว่าธรรมนิฐานของพระเยซู นะครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนถึงข้อสุดท้ายก็คือข้อที่สามสิบหกของยอห์นบทที่สิบเจ็ดนี้เป็นคำอธิษฐานแบบมหากรหิตครับหรือ the high priest pray นะครับในตอนนี้เป็นตอนที่สองพระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ในขณะนั้นและในข้อที่สิบนะครับจนถึงข้อที่สิบเอ็ดนั้นได้เป็นบทเกริ่นนำครับบทเกริ่นนำต่อจากเมื่อวานนี้ ที่นี่พระเยซูกําลังบอกว่าพระองค์นั้นกับพระบิดานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับพระบิดารับเกียรติอย่างไรพระเยซูก็รับเกียรติอย่างนั้นพระบิด า, ามีเกียรติอย่างไรพระเยซูก็มีเกียรติอย่างนั้นทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระเยซูก็เป็นของพระบิดาทุกสิ่งซึ่งเป็นของพระบิดาก็เป็นของพระเยซูนี่คือความเท่าเทียมกัน แสดงว่าสถานภาพของพระเยซูกับสถานภาพของภาภาพระบิดานั้นเท่าเทียมกันครับนี่คือสภาพหนึ่งของตรีเอกานุภาพในข้อ11พระเยซูกล่าวว่าบัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกนั่นหมายความว่าพระเยซูกําลังจะเดินขึ้นสู่ทางแห่งโกลโกธาเดินขึ้นด้วยความสมัครใจไปที่ไม้กางเขนทิ้นพระชน หลังจากนั้นเป็นเช้นเหนือความตายหลังจากนั้นเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูจะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแต่พระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อพวกเขาหมายถึงพวกสาวกของพระองค์เผื่อคริสตจักรของพระองค์นะครับและเพื่อที่จะให้สาวกของพระองค์นั้นจะมีความมั่นคงปลอดภัยเขาเรียกว่า eternal security ก็คือความมั่นคงปลอดภัยนีรันนะครับในคำอธิษฐานนี้พระเยซูขอพระเจ้าพระบิดาโปรดพิทักรักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระงไว้โดยพระนามของพระองค์มีคำอธิษฐานทูลขออยู่ที่นี่เจ็ดประการด้วยกันครับประการแรกครับอยู่ในข้อที่สิบเอ็ดพระเยซูทูลขอการพิทักรักษาและการปกป้องของพระเจ้า เพื่อให้สาวกของพระองค์นั้นจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับนี่คือความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันที่พระเยซูอธิษฐานให้กับสาวกให้พวกเขานั product, ้นไม่ทะเลาะกันให้พวกเขานั้นรวมตัวกันเป็นหนึ่งให้พวกเขานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับเหมือนดังที่พระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาประการที่สองครับพระเยซูอธิษฐานขอการที่ทักรักษาให้ พวกเขาจะมีความมั่นคงปลอดภัยฝ่ายวิญญาณจะปกป้องจะรับการปกป้องไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปเลยนะครับในบัมพีตอนนี้เพชรช่วยฐานว่าข้าพระองค์อธิษฐานนะครับข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนอกจากลูกแห่งความพินาศผู้แห่งความพินาศนี้หมายถึงยูดาสครับยูดาสเป็นลูกแห่งความพินาศเพราะว่า เขานั้นเป็นสาวกของพระเยซูก็จริงแต่เขาไม่ได้บังเกิดใหม่เขายังอยู่ในความโลภเขายังถูกบาปครอบงำและนําไปถึงความตายเนื่องจากการที่เขาได้ผูกคอตายห้าตัวตายเขาได้มอบชีวิตของเขานั้นให้เป็นลูกของมารครับลูกแห่งความพินาศเราจะเห็นประการที่สองที่พระเยซูอนิษฐานขอการปกป้อง ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนี่คือ eternal security ประการที่สามครับพระเยซูอธิษฐานให้สาวกของพระองค์นั้นจะมีความชื่นชมยินดีนะครับมีความชื่นชมยินดีและเป็นความชื่นชมยินดีของพระเยซูทำให้ความชื่นชมยินดีของพระเยซูนั้นเต็มเปี่ยมนะครับพี่น้องครับชีวิตของสาวกนั้นไม่ง่ายครับ แต่ชีวิตข อ, ของสาวกนั้นต้องการความชื่นชมยินดีและการที่สาวกมีความชื่นชมยินดีก็ทําให้ความชื่นชมยินดีของพระเยซูเต็มขึ้นมาครับที่นี่ในข้อ13บอกว่าแต่บัดนี้ข้าพรองค์กำลังไปหาพระองค์ข้าพรองค์กล่าวถึงสิ่งนี้ในโลกเพื่อให้เขาได้รับความชื่นชมินดีของข้าพรองค์อย่างเต็มเปลี่ยนความชื่นชมินดีของเรานั้นมาจากพระเยซูครับพระเยซูมีความชื่นชมินดี อันใดเราก็ทำเราก็มีความชื่นชมดีฉันนั้นพี่น้องครับนี่เป็นประการที่สามประการที่สี่ครับอยู่ในข้อสิบห้า้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาเขาออกไปจากโลกแต่เขาต้องรับการปกป้องขอาการปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายหรือทึ่งชั่วร้ายและนี่คือคำอธิษฐานของพระเยซูในพระธรรมมัทธิวด้วยเช่นเดียวกันครับ คำอธิษฐานของพระเยซูประการที่สี่นี้ก็คือขอพระเจ้าปกป้องให้สาวกของพระองค์นั้นพ้นจากมารร้ายครับพระเยซูกําลังเน้นว่าไม่ต้องเอาเขาออกไปจากโลกแต่เขาไม่ใช่ของโลกในข้อสิบหกครับเหมือนดังที่พระเยซูไม่ใช่ของโลกประการต่อไปครับประการที่ห้าคำอธิษฐานของพระเยซูเพื่อสาวกของพระองค์ท่านนั้นก็คือขอโปรดชาระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระองค์เป็นความจริงพุณน้องครับชีวิตของสาวกนั้นต้องรับการชำระให้บริสุทธิ์และสิ่งที่จะชำระให้บริสุทธิ์นั้นคือความจริงและข้อนี้ได้บอกว่าพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงนั้นหมายความว่าชีวิตของสาวกนั้นจะรับการชำระด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันนี้เป็นประการที่ห้าประการที่หกครับอยู่ในข้อที่สิบแปดพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาในโลกขันใดถ้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกขันนั้น พระเยซูกำลังอธิษฐานเผื่อพันธกิจหรือมิชชั่นของสาวก ค, ครับพระเยซูกําลังใช้พวกเขาไปในโลกหมายความว่าพระเยซูกําลังใช้พวกเขาให้ไปประกาศครับไปนําวิญญาณไปขยายแผ่น ด, ดินของพระเจ้าให้แผ่น ด, ดินของพระองค์มาตั้งอยู่นี่คือประการที่หกประการสุดท้ายประการที่เจ็ดครับในข้อที่สิบเก้าข้าพระองค์ชำระตัวถวายเพราะเห็นแก่เขาเพื่อให้เขารับ การทรงชำระแต่งตั้งไว้ด้วยสัจจะเช่นกันประการที่เจ็ดนี้คือการชำระแต่งตั้งการชำระแต่งตั้งนี้หมายถึงการเจิมครับพระเยซูชำระตัวถวายเป็นเครื่องบูชาพระเยซูกำลังอฐานให้สาวกถวายตัวครับรับการเจิมรับการแต่งตั้งเพื่อ ทำการยิ่งใหญ่ข อ, ของพระเจ้าเป็นผู้รับชรใช้ของพระองค์ในพันธกิจของพระองค์ต่อไปนี่คือเจ็ดปรการครับที่เราจะรู้และเมื่อเราอ่านและสรุปพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงรักสาวกมากมายครับพระองค์อธิษฐานเผื่อและนี่คือคําอธิษฐานของมหาปุโรหิตเป็นอธิเป็นคําอธิษฐานของผู้เลี้ยงแกะที่เลิศประเสริฐที่สุด ที่ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าดูแลสาวกของพระองค์เกพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะายที่ฐานเผื่อซึ่งจะละกั น, กนทั้งเจ็ดประการนี้ให้เราจาเนินขึ้นในทั้งเจ็ดประการนี้เพื่อให้เป็นที่ถวายสักเกียรตแด่พระเจ้าอาเมน